อริยสัจกันนะซึ่งในพระศาสนานี้อริยสัจนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดใช่ไหมคือลึกซึ้งทั้งโดยการเรียนและก็โดยการปฏิบัติเรียนหรือทำความเข้าใจในอริยสัจนั้นไม่ง่ายสักเท่าไรที่ไม่ง่ายเนี่ยเพราะว่ามันฝืนหรือมันทวนกระแส นั่นแหละทวนกระแสโลกทั้งหมดเลยนั่นแหละเพราะโลกทั้งหลายเขาเชยชิดชื่นชมในทุกขสัตว์ใช่ไหมคืออุปาทานขันห้าส่งเสริมสมุทัยคือตัญหาอันวิชาที่สอนอริยศาสนั้นเป็นเป็นธรรมะที่ขัดกับชาวโลกตรงๆนั่นเองแล่ก็ในแง่การเรียน ก่อนนับว่าไม่ง่ายสักเท่าไรทีนี้พูดถึงการเจริญนี่พูดถึงการเจริญนี่ยิ่งยากมากที่ยากเพราะว่าเมื่อวานว่าไงนะทุกข์ษัตริย์นี่ลึกซึ้งพราะอะไรลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยากตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกหยาบมากเลยแหละทุกข์ษัตริย์เนี่ยความเกิดนี่ไม่ไม่ได้ไม่ละเอียดไหมความเกิดเนี่ยไม่ละเอียดนะความเกิดเนี่ยความแก่ก็ อันนี้ก็หยาบมากความตายก็หยาบเนีโะโศกปริเทวทุกโทมนัตอุปายาตก็หยาบมากแต่ว่าน้อยนักที่จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้น น, น้อยนักที่จะมนัเสการว่าวัตถุเหล่านี้คือวัตถุแห่งโสกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาตมาทบทวนครั้งหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเวลาแสดงธรรมะเนี่ย บางทีนะ่ขึ้นต้นด้วยตีระปริญญาก่อนแล้วแจกเป็นยาตะปริญญาในทีหลังนะอันนี้เห็นได้ในอริยสัจแล้วก็ที่อื่นๆก็มีหลายแห่งนะเช่นอะไรความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกปริเท ว, วะทุกขโทมานัสอุปาญาตก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเวปน้อยนะที่จะคิดอย่างนี้นะ แต่ว่าน้อยนะักที่จะที่จะคิดว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะ <c oughs> น้อยอริยสัจกันนะซึ่งในพระศาสนานี้อริยสัจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดใช่ไหม <c oughs> คือลึกซึ้งทั้งโดยการเรียนและก็โดยการปฏิบัติ เรียนหรือทำความเข้าใจในอริยศา์นั้นไม่ง่ายสักเท่าไรที่ไม่ง่ายเนี่ยเพราะว่ามันฝืนหรือมั น, วนทวนกระแสนั่นแหละทวนกระแสโลกทั้งหมดเลยนั่นแหละเพราะโลกทั้งหลายเขาชวยชิดชื่นชมในทุกขศัพท์ใช่ไหมคืออุปาทานขันห้าส่งเสริมสมุทัยคือตันหา อันทีชาที่สอนอริยศาสนั้นเป็นเป็นธรรมะที่ขัดกับชาวโลกตรงๆนั่นเองนั่ก็ในแง่การเรียนก็นับว่าไม่ง่ายสักเท่าไร่ทีนี้พูดถึงการเจริญนีน่พูดถึงการเจริญนี่ยิ่งยากมากที่ยากเพราะว่าเมื่อวานว่างนันนะทุกขสัตว์นี่ลึกซึ้งเพราะอะไรลึกซึ้งเพราะเห็นได้ยาก ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกหยาบมากเลยแหละทุกขสัตย์เนี่ยความเกิดนี่ไม่ไม่ได้ไม่ละเอียดไม่ความเกิดเนี่ยไม่ละเอียดนะความเกิดเนี่ยความแก่ก็อันนี้ก็หยาบมากความตายก็หยาบ น, นโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปา ย, ยาตก็หยาบมากแต่ว่าน้อยนักที่จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้น น, น้อยนักที่จะมนเสการว่า วัตถุเหล่านี้คือวัตถุแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมณสและอุปายาตมาทบทวนครั้งหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเวลาแสดงธรรมะเนี่ยบางทีนะขึ้นต้นด้วยตีรณะปริญญาก่อนแล้วแจกเป็นยาตะปริญญาในทีหลังนะอันนี้เห็นได้ในอริยสัจแล้วก็ที่อื่นๆก็มีหลายแห่งนะเช่นอนนะไร ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตก็เป็นทุกข์เนี่ยนะวิปโยคทุกข์สัมปโยคทุกข์ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นลักษณะของตีรณปริญญาเลยพระบอกว่าว่าโดยย่อขันห้าคือตัวทุกข์อันนี้แหละลักษณะของอะไรยาตปริญญานีขันห้าเนี่ ย, ยคำว่าขันห้าเนี่ยเป็นยาตปริญญา ขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้แสดงว่าแสดงแบบตีรณปริญญาแล้วต่อด้วยยาตะปริญญาฉะนั้นการอธิบายบางอย่างก็ถ้าดูจากพุทธพจน์บางอย่างเราก็เคร่งครัดจนเกินไปนะบางทีก็ที่เห็นเห็นเนี่ยยาตะปเรตตีรณปริญญามันเห็นง่ายกว่าความเกิดความแก่ความตายโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปา ย, ยาตเนี่ยเห็นยากไหม ไม่ยากอะไรเลยแต่ว่าวัตถุแห่งโสกะปริเทวะทั้งหมดเหล่านั้นคืออะไรก็คือขันห้านที่จะใส่ใจหรือมนัสิการโดยความเป็นขันห้าเนี่ยก็ยากนะที่จะใส่ใจได้อย่างนั้นในการมนัสิการหรือการพิจารณาขันห้าที่ที่เป็นตัวทุกขสัตว์เนี่ยนะขันห้าตัวนี้แหละเป็นวัตถุแห่งสมุทัยสัตว์ เพราะว่าสมุไทยนี่ไม่ไปโครจรที่อื่นเขาชอบเฉพาะอุปาทานขันห้าเท่านั้นแหละเขาจะไม่ชอบเกินกว่านั้นหรอกตัวตันหานะลำพังของเขาเองเนี่ยเขาเขาไม่ชอบเกินกว่านั้นเขาโครจรท่องเที่ยวไปในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นถ้าใครทําปริญญาในอุปาทานขันหา้าพิจารณาอุปาทานขันหา้ารอบจริงเขาเชื่อว่าพิจารณาตันหาด้วย ทำไมเพราะว่าพิจารณาแดนโครจรของตัณหาเพราะไม่มีตัณหาใดที่โครจรพ้นรูปพ้นเวทนาพ้นสัญญาพ้นสังขารและพ้นวิญญาณเมัะถ้าพิจารณาขันหา้าเท่ากับพิจารณาตัณหาโดยโดยธรรมชาติเนี่ยนะเพราะมันเป็นแดนโครจรแห่งตัณหาเหมือนอย่างว่าตํารวจไปตรวจตราหมู่บ้านที่ถูกโจรปล้นบ่อยๆเนี่ยนะ ถามว่าเมื่อตำรวจไปตรวจตราในหมู่บ้านที่โจรปล้นบ่อยๆเนี่ยเชื่อว่าได้รู้จักโจรด้วยไหมท่องเที่ยวไปแต่ในหมู่บ้านที่โจรปล้นเนี่ยนะสง่งใครว่าอะไรนะส่งสายไปดูเฉพาะตรวจตราค้นคว้าที่ยิบในในหมู่บ้านที่โจรปล้นบ่อยๆเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ตำรวจจะรู้จักโจรด้วย เป็นไปได้อยู่แล้วเรื่องธรรมดาใช่ไหมชั้นใดก็ดีผู้ที่มีปัญญาพิจารณาตรวจตราอุปาทานขันห้าก็สามารถที่จะเห็นไอ้โจรคือพยาตันหานี่ได้เพราะเขาเขาใหญ่มากๆเลยนะตันหาที่ชอบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมชาติที่หยาบมากมันถ้าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงก็จะไม่ได้ยากเย็นอะไรที่จะรู้จักตันหาเพราะไม่มีขันใดที่ไม่เป็นวัตถุแห่ง ตัณหาแต่ทีนี้เราต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าวัฏตัณหานี่เป็นมูลแห่งวัตทุกข์เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ฉั้นตัณหานี่แหละเช่นผู้ใดเพลิดเพลินในรูปผู้นั้นก็สร้างสร้างอะไรสร้างรูปเพลิดเพลินในเวทนาสร้างเวทนาเพลิดเพลินในสัญญาสร้างสัญญาเพลิดเพลินในสังขารสร้างสังขารเพลิดเพลินในวิญญาณสร้างวิญญาณทีนี้คําว่าเพลิดเพลินเนี่ยขันห้าเนี่ย เราเพลิดเพลินเฉพาะขันห้าในปัจจุบันเท่านั้นหรือใช่ไหมไม่อนนะั้เพราะบางทีเราก็นึกถึงว่าในอดีตเราเคยมีรูปแล้วเช่นนั้นมีเวทนาเช่นนั้นมีสัญญาเช่นนั้นมีสังขารเช่นนั้นมีวิญญาณเช่นนั้นเราเคยเห็นอันนั้นเคยได้ยินอย่างนี้เคยรู้กลิ่นเคยชิมอันนั้นเคยทานอันนี้เคยเที่ยวที่นั่นที่นี่เป็นตน้นทั้งหมดนั้นในอดีตก็คือ ขันท่าท่านตันหาและทิฏฐิก็โครจรในขันท่าทั้งที่เป็นอดีตแล้วถามว่ามันคิดอนาคตบ่อยไหมขันท่าเอ้ตันหาเนะี่ยมันคิดอนาคตบ่อยไหมใครคิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงพรุ่งนี้มีใครไม่คิดถึ ง, งมั่งให้ของมานึกไปออกว่าพรุ่งคิดถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่ทราบวันนี้นะพูด ถ, ถึงวันนี้นะคิดถึงพรุ่งนี้ไว้หรือเปล่าเออไม่ได้คิดจําได้ว่าไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้มันคืออะไรเลย พระคิดไกลกว่านั้นไปคิดคิดเลยบเลยวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าคิดปะรึนี้คิดอาทิตย์หน้าคิดเดือนหน้าคิดปีหน้าเป็นต้นเนี่ยการคิดถึงวันหน้าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าสภาวะจริงๆอคิดถึงอะไรดาไม่ริตว่าคิดถึงอะไร คิดถึงขันทอะเพราะนเดือนหน้าเนี่ยนะถ้าคิดถึงเดือนหน้าก็คิดถึงขันห้าคือว่ารวมๆเนี่ยปุตตุชนทั้งหลายไม่มีใครโครจรพ้นขันห้าได้หรอกเพราะฉะนั้นฉีคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาก็คิดถึงขันห่าคิดถึงวันข้างหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าสิบปีข้างหน้าเป็นต้นก็คือคิดถึงขันห้า ไม่มีพ้นขันห้าเลยแล้วในปัจจุบันตามทวารต่างๆก็คือขันห้าแต่น้อยนักที่จะมานัศิการว่าเป็นขันห้าก็เหตุใดหนอะเขาจึงเรียกว่าขันก็เพราะเหตุว่าขันเหล่านี้เนี่ยเป็นกองใช่ไหมอดีตก็เป็นขันขเพราะเป็นกองในะอดีตกองที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็น ปจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกลใกล้ทั้งหมดเหล่านั้นก็คือขันห้า ท, ท, ทั้งที่ขันห้าก็คือตัวทุ ก, นกันนะที่เราเรียกอะไรชาติทุกขชราทุกขพยาธิทุกขมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกกรทอมนัตอุปายาทุกแต่ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินจนได้โดยที่สุดเรื่องหน้าเศร้าในอดีตก็ยังพูดมาขำๆกันด้วยอำนาจตันหาได้ นึกถึงแล้วก็หัวเราะขำกันน่าดูทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใช่ไหมแต่ก็นึกแล้วก็หัวเราะนึกถึงอะไรนะนึกถึงความเศร้าในอดีตแล้วหัวเราะได้ไหมได้อะนะเอามาเล่าเป็นเรื่องขำๆเล่นๆ เ, เลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกจริงๆไหยแต่ว่าเอามาเล่าเป็นเรื่องตลกได้เอาท น, นแสดงว่าวัตถุนั้นก็เป็นที่ตานหาชื่นชอบเหมือนกันกอยยกตยกัวอย่างครับอืม คุณเคยเอาเรื่องตลกในอดีตของตัวเองมาเล่าขำๆมั้งไหมนั่นแหละอย่างนั้นแหละของใครก็ของใครสรุปว่าตันหาเนี่ยโคจรไปทั้งขันที่เป็นอดีตขันที่เป็นอนาคตขันที่เป็นปัจจุบันขันภายในขันภายนอกขันหยาบขันละเอียดขันเลวขันประณีตขันอยู่ไกลและอยู่ใกล้ ใกลๆก็คิดถึงได้ใช่ไหมไกลตัณหามันก็ไม่ค่อยลดลาราอะไรเมื่อวัตถุแห่งตัณหาเนี่ยนะมันมีมากขนาดนี้วัตถุแห่งวิปัสสนาก็จําเป็นต้องเท่ากันวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เจริญในวัตถุที่โครจรแห่งตัณหาเท่านั้นวิปนะัสสนาเนี่เจริญในวัตถุที่โครจรแห่งตัณหา ถ้าวัตถุใดไม่เป็นที่โคจรแห่งตัญหาวัตถุนั้นไม่จำเป็นต้องเจริญวิปัสนาไม่จำเป็นต้องเจริญปัญญาอะไรเพราะว่าวิปัสนาเนี่ยนะวัตถุประสงค์ก็เพื่อปลดเปลื้องตันหาเพื่อปลดเปลื้องอากุศลทั้งหลายอันเมื่อวัตถุแห่งอากุศลมีเท่าใดจำเป็นที่ปัญญาหรือวิปัสนาต้องโคจรไปเท่านั้นบางทีเนี่ยนะ แม้แต่ในอดีตชาติเราต้องเอาเอามาเป็นวัตถุแห่งวิปั ส, สนาเพราะว่าการพิจารณานั้นไม่ได้จำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะชาตินี้อย่างเดียวใช่ไหมอดีตชาติถ้าใครกำหนดปัจจัยมาดีๆเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าอดีตชาติเนี่ยพ้นขันห้าไม่คุณชูศรีพ้นไหมไม่พ้นนะถ้าคิดถึงอดีตชาติถึงสงสัยก็สงสัยในรูป สงสัยในเวทนาสงสัยในสัญญาสงสัยในสังขารสงสัยในวิญญาณโดยโวหารบัญญัติแต่ถ้าโดยสภาวะอดีตก็คือขันหชาติหน้าอีกกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติพันชาติก็ตามก็คือขันหปัจจุบันนี้ก็คือขันห้พปัญวัตถุอันนี้คือวัตถุแห่งชาติชรา ม, มรณะวัตถุที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกโทมณตและอุปายาต ถามว่าตันหาถ้าไปเพลิดเพลินในขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนี้เข้าเพลิดเพลินว่าอย่างไง <im itation> เพลิดเพลินว่านั่น <im itation> เรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราใช่ไหม <im itation> ทั้งขันในอดีตอนาคตปัจจุบันก็นั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราถ้าโครจรด้วยวิปัสนาวิปัสนาโครจรว่าไง <im itation> ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาที่เป็นชื่ออีกคหนึ่งคือ นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคนที่มีปัญญาไวยนะพระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาว่าผู้มีปัญญาไวยคือผู้ที่เล่นไปในรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณนีตใกล้ไกลด้วยอนิจจงทุกขังอนัตตาว่องไวนี่คือคนมีปัญญาัย ของเรานะียใครเคยเอาเรื่องในอดีตมาอันนีจังทุกขังอ น, นาตตาบ้างนนพรุ่งนี้ก็อันนีจังนั่นแหละไม่แน่หรอกพรุ่งนี้ก็ทุกนั่นแหละพรุ่งนี้ก็อ น, นาตานั่นแหละนะโคจรไปอย่างนี้นะโอ้ยของเราฝืดมากเลยนะปัญญาค่อนข้างยังไม่ได้ทํางานนะไม่แน่นะปล่อยให้ปัญญาเขาทํางานเต็มที่เดี๋ยวจะรู้เองนะคือผู้ที่มีปัญญาวัยเนี่ยคือมีปัญญาพิจารณาขัน ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในายภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลว่า นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานั่นอันนี้จังอย่างนั้นนั่นทุกขังอย่างนี้นั่นเป็นอนัตตาอย่างนั้นแต่ว่าน้อยคนนักที่จะคิดว่าการคิดแบบนี้คือทางแห่งความพ้นทุกข์ ขามาเชื่อเลยแม้แต่ผู้การเนี่ยยังยังไม่รู้จะยอมรับสักแค่ไหนว่าเออการโคโจรมันั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งทุกอารมณ์เลยนะนั่นคือทางแห่งความพ้นวัตตเนี่ยนะโดยอัธยาศัยจริงๆเนี่ยจะยอมรับสักเท่าไหรอ่อัธยาศัยนะไม่ได้พูดแบบเนี่ยว่ามั่นใจจริงๆว่าถ้าโคโจรอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละคือทางแห่งความพ้นทุก ไม่ใช่คือคือพูดแบบเหตุผลทั่วๆไปเนี่ยว่าอาการโคจรในขันทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณี๊ใกล้ไๆเนี่ยนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานั่นอานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยการคิดอย่างเงี้ยคือทางแห่งความพ้นทุกข์น้อยนักที่จะคิดนะว่าเออเนี่ยการคิดแบบเนี้ย น, นี่คือข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขยออออมมรัับไววว้้คคคคาิิิดตตเนีืืปฏะ น้อยนะที่จะคิดอย่างนี้นะแต่ว่าน้อยนักที่จะที่จะคิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วคือคือคือมาถึงตอนนี้แล้วเชื่อครับเชื่อว่าทางต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือทางเนี่ยถ้าจะพ้นทุกข์ได้ต้องต้องต้องเข้าไปไปวิจัยเหมือนั้นเไปวิจัยให้เห็นให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเน่ะถ้าวิจัยแล้วน่จะต้องเกิด ถ้าวิจัยถึงจุดแล้วจะต้องเห็นโทษแน่เห็นเบื่อเบื่อหนายแน่ตอนนี้ก็พอเห็นโทษอยู่แล้วก็สิบอดกองเลยใช่ไหมหนึ่งอดีตอนาคตปัจจุบันอัะนนะภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประเนีต ไกลไกลเอนี่ยนะก็ถ้าพวกพวกพวกไม่เจริญวิปนะัสสนาะเขาคิดอย่างเงี้ยนั่นของเรานั่นเรานั่นอัป ต, ตาของเราคืออนันนี้นี่พูดแบบภาษาธรรมะนะ แต่ว่าเพนภาษาชาวโลกๆกก็ถ้าเป็นอดีตนะเมื่อก่อนเราเคยไปเที่ยวณนะที่นั้นสนุกอย่างนั้นเพลิดเพลินอย่างนี้สมัยนั้นเป็นชายหนุ่มอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะว่าไปเรื่อยพวกปูเ่เล่านิยายนิยายให้เด็กให้หลานฟังอะ่ะกลุ่มนั้นแหละตัญหาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลย ก็เล่าชีวิตในอดีตสมัยนั้นนะเคยเป็นเด็กอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเคยในที่นั้นเที่ยวณที่นั้ น, น, นแต่ว่ารวมๆก็คือคิดถึงขันในอดีตนั่นแหละจะใช้ศัพท์โวหารใดก็าตามถ้าพูดถึงสิ่งที่เมื่อวานหรือถอยหลังไปอดีตนี้เ็แบ่งหนึ่งนะอดีตชาติโดยชาติหนึ่งโดยสันติติึแล้วก็โดยสมัย โดยขณะมีเป็นครั้งคราวก็มีอยู่เท่านี้ถึงพูดในอดีตชาติก็พูดถึงขันห้าในอดีตชาติถึงที่ผ่านมาก็สันตติสืบเนื่องก็คือขันห้าโดยสมัยโดยสมัยเช่นวัยนะสิบปีแรกเป็นยังไงสิบปีที่สองสิบปีที่สามสิบปีที่สี่นะสิบปีที่ห้าสิบปีที่ห ก, ส, หกสิบปีที่เจ็ด สิบปีที่แปดไอไม่ได้พอเดี๋ยวผู้การก็เสียใจย่ะเลวน ะ, ะเขาสิบปีที่ที่สิบนี่เงี้ยนะสรุปว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยถ้าพูดถึงสมมติวนะ่าถ้าอ่ะนะผู้การตอนเนี้ยเจ็ดสิบนี่เงี้ยพูดถึงชีวิตที่ชั่วส่วนไหนก็ตามเถอะพื้นฐานว่านั่นของเรา นั่นเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน้อยนักว่าทั้งหมดนั่นคือขันธ์ห้านั่นคือรูปนั่นเวทนานั่น ส, ญญนนสนนนัญญานั่นสังขารนั่นวิญญาณคือส่วนใหญ่นะเราเราเนี่ยติดในบัญญัติเขาเรียกว่าบัญญัติตัวนี้คือโลกกัวหานเนี่ยเนี่ย เป็นบัญญัติเป็นไปตามอำนาจของโลกโวหารเกือบทั้งหมดเลยเป็นโลกโวหารอันนี้ก็คือชื่อหรือเรื่องราวแบบชาวโลกน้อยนักที่จะเป็นไปตามคําสอนเราก็จะคิดแบบเราอะนะเราไม่ค่อยคิดตามแบบตามคําสอนเพราะเราถูกปลูกฝังแบบแบบโลกมานานมันเราก็คิดในชีวิตที่เป็นอดีตโดยแบบแบบเป็นชาวโลกนั่นแหละ พันก็เลยไม่ใส่ใจว่าอดีตนั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะฉนั้นอดีต น, นก็คือชาติชราและมรณะก็คือวัตถุแห่งโสกะปริเทวทุกโทมณตอุปายาตดีๆนี่เองไม่มีความพ้นเลยมันก็ปัญญาเนี่ยมันโคโจรอย่างนี้บ่อยๆว่านั่นนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราหรืออีกชื่อหนึ่งนะเอกสามคเนี่ย ก็ถ้าเป็นตรงๆกันนะนั่นของเราก็อะไรตัญหานั่นเรามานะนั่นอัตตาของเราทิฏฐิถ้าคิดตรงกันข้ามคืออะไรอนิจจงทุกขังอนัตตาอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าถึงในอดีตนะก็คือช า, ช, าชาติชรามรณะเชาติชรามรณะ ถาว่าชาติชรามรณะนะเป็นไวัยพจน์ของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาชาติเป็นไวัยพจน์ของทุกขังชราก็เป็นไวัยพ์ของทุกขังมรณะวัยพ์ของอนัตตาแล้วผู้ใดมีอำนาจห้ามชาติชรามรณะได้ไหมไม่ได้อ น, นั้นแหละเป็นอนัตตาขอเถอไอ้ที่เกิดมาแล้วก็อย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าตายนะขอได้แต่ว่าเขาให้ไม่ได้ เพราะไม่มีใครมีอำนาจจริงๆนะแล้วก็เลยเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาชาติชรามรณะก็มาใส่ใจอย่างนีนะ้การคิดแบบนี้นี่แหละเอานะถ้าเราจะพูดแบบภาษาไทยนะภาษาไทยจริงๆบัญญัติคําได้ไม่กี่อย่างอะคิดเขาบอกว่าวิธีสังเกตว่าศัพท์ไหนเป็นศัพท์ไทยกับศัพท์เทศเนี่ยสังเกตได้จากอะไรยังไงสอนดูได้ว่าถ้าคําโดด คำโดดๆเลยนะให้รู้ว่านั่นคือภาษาไทยฟังแล้วไม่ต้องแปลเช่นหลวงพ่อคุณพูดไม่ต้องมีใครแปลเลยเคยได้ยินไหมสมัยพ่อคุณรามพูดไม่ต้องแปลอีหมูอีหมาอีกาอีไก่พวกนี้ไม่ต้องแปลทั้งนั้นสับเดียวโดดๆน่ะวัวควายช้างม้าอะไรพวกนี้สับเดียวโดดๆเนี่ยภาษาไทยพันนามมาทํานะภาษาไทยใช้ได้คิดนึกรู้ได้ไม่กี่คําหรอกพูดแบบง่ายๆว่ะ ถ้าคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิบการอย่างเงี้ยภาษาธรรมะเรียกว่าเจริญปัญญาการคิดอย่างนี้แหละเรียกว่าใครจะคิดเนาะว่าความคิดแบบนี้คือทางแห่งความพ้นทุกขน้อยนะที่จะรู้ว่าเออเนี่ยคิดอย่างนี้นี่แหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกทางเป็นที่หลุดพ้นจากวัฏะนี่คือการเจริญมักเพื่อออกจากวัตะเนี่ยนะก็แค่จะยอมรับความรู้อันนี้ว่าทางออกจากวะัะ ทางออกจากทุกก็พะมาเชื่อเหลือกเกินว่าน้อยนักยนยนะน้อยนักที่จะพอกพูนไอความคิดตัวนี้เนี่ยนะบางท่านบอกว่ารู้อยู่แต่ว่าอะไรจเป็นนิดว่างไงนเนี้ว่า ง, งนมกรู้ว่าเป็นทุกอยู่แต่ก็ชอบนะรู้ไม่จริง คือรู้ส่วนใหญ่เนี่ยนะพื้นฐานความรู้ของเราทั้งหลายไม่ได้รู้บนพื้นฐานของปัญญาที่เข้าไปวิจัยเองรู้ตามพวกเขาว่าเรียกว่าว่าตามเขาถ้าส่วนใหญ่อย่างอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะเราเชื่อไหมโดยมากเราว่าตามพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ค่อยได้ไปเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเราว่าตามพระองค์ถ้าส่วนใหญ่ แต่ก็ถามว่าดีไหมก็ดีแหละแต่ว่าไอ้ที่ไปเห็นตามจริงๆอเออใช่เลยใช่เลยชาติชรา ม, มรณะจริงๆนั่นคือตัวทุกจริงๆอันนี้จรงจริงทุกขงังจริงไอเห็นแบบนั้นจริงๆะนะอย่างที่พระองค์ว่าเนี่น้อยนักะนะบางทีเราก็คล่องไปตามสับตามโวหารซะซะส่วนใหญ่เนี่ยนะอย่างเช่นตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนี้เราเราคล้อยตามโวหารซะส่วนใหญ่ แต่ว่าที่จะไปไปคิดแบบจริงๆจังๆว่าเออเนี่ยมันมันบอดจริงหน้าตาเนี่ยเป็นต้นนะมนสิกาสรโดยสามัญจสํานึกว่ามันมันสมบัติชั่วคราวจริงๆนะตากับต่อมน้ําต่างกันตรงไหนต่อมน้ําเวลามันปูดขึ้นนะใช่ก็แต่แล้วตาที่มันปูดขึ้นเนี่ยต่างอะไรจากต่อมน้ำบ้างแล้วก็ข้างในมันตามันก็มีแต่น้ําด้วยนะทั้นั้นก็ตาก็เหมือนกับต่อมน้ําเป็นต้นเหมือนฟองน้ํา ก็น้อยนักที่จะคิดว่าเออตาเรานี่มันไม่เที่ยงส่วนใหญ่เราเห็นรูปข้างนอกนะมันไม่เที่ยงแต่น้อยครั้งนักที่จะน้อมเข้ามามาภายในเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานท่านบอกว่าเหมือนอย่างว่าบางบางสำนวนก็แปลว่าเหมือนกับว่าเหมือนอย่างว่าเธอไปเห็นอะไรก็ได้ที่มันเสียหายทั้งหลายเนี่ยนะ พึงน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงเราก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้กุมวิชีที่เดินผ่านโรงพยาบาลคิดอย่างนี้ไหมเหมือนอย่างว่ากายนั้นฉันใดกายนี้ก็ฉันนั้นกายนี้ฉันใดกายนั้นก็ฉันนั้นเมื่อก่อนฉันใดเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นเดี๋ยวนี้ชันใดอนาคตต่อไปก็ ฉันนั้นนะนะคือมาคิดเป็นจริงเป็นจังอคิดเป็นเรื่องเลยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดินลากลากการเจริญแบบนี้เป็นเรื่องยาวๆจริงๆอ่ะนะตัวความคิดตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้ออกจากทุกนะนะเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกจริงๆนันก็เวลาเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็สามารถน้อมเข้ามาเลยว่าอย่างใครไปเที่ยววัดบ่อ ย, อยๆนะเขาจะมีอะไรเนะี่ยมีกล่องนะ กล่องแล้วก็ใส่รายชื่อเอาไว้เขาเรียกคอนโดใช่ไหมนีนายโกชาตะมรณะนายขอชาตะมรณะเนี่ยนะเห็นอย่างนี้บ่อยไหมเราเคยคิดมาว่ากายนั้นฉันใดากายนี้ก็ฉันนั้นนะกล่องนั้นฉันใดตัวนี้ก็ฉันนั้นคือก็ถ้ามามาคิดอย่างนี้บ่อยๆแต่ทีนี้ว่า โดยมากก็คิดอย่างเนี้ยหนึ่งครั้งมันพอไหมล่ะพ้นทุกอย่างเงี้ยทั้งวันคิดอยู่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยหรือบางทีเดือนหนึ่งคิดอยู่ครั้งเดียวพอไหมจะบรรลุมันไม่พอเนี่ยนะฮะก็ก็เออก็ใช่ใช่ละแต่ว่าเลิกคิดแล้วไม่เคยรู้ว่าไอความคิดแบบนี้เป็นข้อปฏิบัติอันนะั้นพันมัดทั้งหลายเนี่ยที่บุคคลไม่ค่อยเจริญเพราะเหตุผลเหล่านี้ไม่ไม่ค่อยเอามาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังหรือเป็นอาชีพ พระไม่ก่อนเขาเรียกว่าพรหมจันทร์สิ่งที่จะต้องมาประพฤติขึ้นเนี่ยนะจริยะตัวนี้แปลว่าประพฤติใช่ไหมพรหมจันทร์เนี่ยประเสริฐใครที่คิดอย่างนี้ประเสริฐคิดเป็นจริงเป็นจังเลยนะก็จริงการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็ไอ้แบบห ย, ยาบๆก่อนก็ได้เกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องคนตายเรื่องอะไรทั้งหลายก็คิดแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวนี่แหละน้อมเข้ามาสู่ภายนี่แหละฉันใดก็ฉันนั้น ก็ถ้าใครมีสามัญญาสามนึกว่าคิดอย่างนี้ปฏิบัติหนึ่งครั้งเมื่อไรเนาะเราจะคิดอย่างนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนให้ดีใจแบบนั้นอ่ะดีใจที่จะได้คิดอย่างนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะก็อย่าลืมนะเขามีวงของพระอริยะนะหนึ่งดีใจที่ได้เจริญกับดีใจที่ได้ละเมื่อเจริญมักก็ดีใจ ดีใจมากที่ได้คิดแบบนั้นแล้วก็ละอากุศลวิตตกได้เท่าไหร่ก็ดีใจเท่านั้นนะนะละความเข้าใจผิดละความเห็นผิดเท่าไหร่ก็ดีใจญา m i n i m i เคยดีใจไ้ยว่าที่ได้เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะนะจริงๆเลยดีใจไ้ยที่เห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาไม่ค่อยดีใจเลยนะอ๋อไม่ค่อเคยเจริญด้วยนะ